ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่38วันนี้ก็จะมาคุยกันต่อบ้างที่พูดไปแล้วนี่เข้าไปในเรื่องายศิกขาศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ชักจะเข้าในรายละเอียดไปบ้างพอสมควร อาจจะเลยไปบ้างเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ว่าความจริงก็ต้องการให้รู้หลักนั่นเองเพราะเรื่องไต่สิกขาศีสมาธิปัญญาทั้งหมดนั้นก็หลักการก็มาจากที่คุยกันไปแล้วว่าให้เห็นว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกคือต้องมีการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาจึงจะมีชีวิตที่ดีงามได้ แม้แต่จะอยู่รอดก็ต้องมีการเรียนรู้ฝึกฝนแต่ว่าพร้อมกันนั้นเพราะความที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นั่นแหละมนุษย์ก็สามารถพัฒนาตนจนกระทั่งเป็นสัตว์ที่ประเสริฐยอดเยี่ยมจนกระทั่งสามารถเป็นพุทธะก็ได้ดฉะนั้นในเมื่อธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราก็ปฏิบัติให้สอดคล้องใช้ธรรมชาติของมนุษย์ให้เป็นประโยชน์ คือพยายามที่จะเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนอยู่เสมอจะได้มีชีวิตที่ดีงามจนถึงจุดหมายสูงสุดแต่ว่าในการที่มนุษย์จะเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของธรรมชาติด้วยมนุษย์จะดำเนินชีวิตยังไงจะทาอะไรก็ตาม ก็ต้องทำให้ถูกต้องกับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติเช่นทำให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยของมันผลจึงจะเกิดขึน้นนั้นก็เลยกลายเป็นความจำเป็นว่ามนุษย์จะต้องรู้ตัวความจริงนี้ที่เรียกว่าธรรมะเพื่อจะทำให้ถูกต้องแม้แต่การพัฒนาตัวเองต่างๆนี้มันก็เป็นกระบวนการที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติทั้งนั้น นั้นเรื่องการฝึกฝนพัฒนาตนของมนุษย์เนี่ยจึงมาสัมพั์กับความจริงของกฎธรรมชาติและความจริงของกฎธรรมชาติอันนี้เราเรียกว่าธรรมใช่เมื่อเราต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองถูกต้องตามกฎธรรมชาติทำอะไรก็ต้องทำให้มันถูกต้องตามนี้เพราะนั้นก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีปัญญาต้องพัฒนาปัญญาขึ้นมาปัญญาก็เป็นเรื่องสาคัญในการพัฒนามนุษย์ แล้วก็เรื่องจิตใจเรื่องพฤติกรรมก็เป็นเรื่องที่อยู่ในด้านต่างๆขอ ง, งชีวิตของเราที่แยกกันไม่ออกจากปัญญานั้นก็ต้องพัฒนาไปได้วยกันแหละเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเรื่องของการฝึกฝนพัฒนามนุษย์ก็ต้องให้ครบ3ด้านทั้งพฤติกรรมที่เรียกว่าศีลทั้งจิตใจที่มีสมาธิเป็นแกนหรือเป็นประธานแล้วก็ทั้งปัญญาเอง แต่ตัวสําคัญที่สุดที่ไปเชื่อมโยงกับความจริงของกฎธรรมชาติก็คือตัวปัญญาปัญญาเชื่อ ม, มนุษย์เข้ากับความจริงของกฎธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมพอมนุษย์มีปัญญาขึ้นมาก็ไปรู้ตัวธรรมะรู้ตัวธรรมะความจริงนั้นมนุษย์ก็สามารถที่จะทําอะไรแต่อะไรให้ได้ผลไปไปมาๆ ม, มนุษย์สามารถเอาความจริงในกฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์นทําอะไรแต่อะไรสร้างสารรค์จกระทั่งว่าโลกมนุษย์นี้ จเจริญ ง, งงามชีวิตเกิดดีสังคมก็จะเจริญงอ ง, งามก็จุดที่เราต้องการจะพูดมันก็อยู่ที่เนีแ้แต่ในที่สุดเองมนุษย์ก็จะต้องรู้ความจริงครับสุดท้ายก็คือความจริงของชีวิตของตนเองธรรมะนี่ความจริงก็รวมถึงความจริงของชีวิตของตัวเองด้วยในฐานะที่ชีวิตของตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติหรือเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมีความเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ใช่ว่ามนุษย์มีความรู้แล้วไปจัดการอะไรตามที่ตัวเองมีปัญญารู้กฎของธรรมชาติทําได้จริงแต่ว่าเออแล้วเสร็จแล้วไอ้ชีวิตของตัวเองเน่ยมันคืออะไรแล้วมันต้องการอะไรอะไรเป็นความดีกับชีวิตของตนทํำเรื่อยไปไปบางทีทําแล้วนะทําได้จริงแต่เกิดโทษกับชีวิตของตัวเองกลับย้อนมาเป็นอันตรายเพราะนั้นในที่สุดก็หนีไม่พ้นมนุษย์จะต้องเข้าใจ ธรรมชาติแห่งชีวิตของตนเองนะแล้วก็จะได้สามารถรู้ว่าออชีวิตที่ดีนี่คืออย่างไรเนะีทีนี้เมืม่อมนมุษย์มีความรู้เข้าใจชีวิตดีงามอะไรมันจะดีกับชีวิตของตนเองนะีรู้ความจริงต่างๆที่เรียกว่าธรรมนี้กว้างขวางทั่วถึงมนมุษย์จะสามารถจัดตั้งวางระบบความเป็นอยู่ของตนเองนะชีวิตทั้ตงตนและการอยู่ร่วมกันสังคมของตน จัดทำอะไรต่อาะไรสร้างสารรค์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่แนละ้วมันเกื้อนหนุนในการที่ตัวเองจะมีชีวิตที่ดีงามขึ้นมาอีกนะอันนี้ก็จะกลายเป็นความเจริญของสังคมมนุษย์นะที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมอารยธรรมการจัดตั้งวางระบบแบบแผนทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นเรื่องต่างๆเป็นระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองระบบการศึกษาระบบอะไรสารพัดในทางสังคม ซึ่งเราใช้สัพพระคำดีว่าวินยัยใช่ไหมแล้วเราก็พูดกันไปแล้วว่าวินัยการจัดตั้งวางระบบความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สภาพไปรล้อมทั้งหมดเนี่ยนก็จะต้องให้มาเกื้อนหนุนต่อชีวิตที่ดีงามเกื้อนหนุนต่อการพัฒนาของมนุษย์เองนี่เอ ง, เองแต่ทีนี้มนุษย์นี่มันมีปัญหาก็คือว่าเวลาตนเอง พยายามเรียนรู้เพื่อจะได้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติแล้วจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็เอาธรรมชาติมาใช้ประโยชน์หรือเอาความรู้ในความจริงของธรรมชาติมาใช้ประโยชน์มัรู้กับพร่องกับแพร่งรู้ไม่โทษถิงนรู้ด้านนั้นไม่รู้ด้านนี้อะไรเนี่ยเช่นว่ารู้จักจัดการกับธรรมชาติภายนอกรู้จักต้นไม้เป็นยังไงเกิดจากอะไรรู้จักเพาะพันธุ์ปลูกต้นไม้ต่อมารู้จักประดิษฐ์ จอบเสียมรู้จักประดิษฐ์ของใช้อะไรต่างๆเ้าเนี่ยแต่ทีนี้อย่างเช่นว่ารู้ไม่เท่ถึงยังไม่รู้ความจริงเกิดชีวิตแกก็ไปเข้าใจว่าไอ้ชีวิ ต, ววตที่ดีคือการที่จะได้เอาชนะคนอื่นได้ครอบงามเข้าได้นะกำจัดคนอื่นได้หมดใช้โทษรเป็นหลักหรือตัวเองต้องมีผลประโยชน์ให้มากมีของเสพมากมีความสุขอยู่ที่การเสพวัตถุมันก็ใช้ความสามารถนี้ ไปสนองความต้องการไม่ตรงความจริงที่แท้บนที่สุดก็กลับมาเป็นโทษกับชีวิตมันก็เลยเป็นปัญหากับชีวิตสังคมมนุษย์กันอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดเนะ่ยเพราะว่าไอ้ตัวธรรมะเนี่ยมันเข้าไม่ถึงสักทีแม้แต่พัฒนาสังคมจัดตั้งวางวินัยเป็นระบบสังคมเศรษฐกิจการเมืองแกก็ได้แค่เป็นดานดานอย่างแกอยากจะคิดว่าโอ้มนุษย์จะมีความสุขเมื่อมีวัตถุเสพมากที่สุดใช่ม แกก็วางระบบเศรษฐกิจขึ้นมาทีนี้ระ บ, บบเศรษฐกิจนี่มาจากฐานคือทฤษฎีทฤษฎีที่มีความเข้าใจเป็นว่าเนี่ยความสุขอยู่ที่มีวัตถุเสร็จพังพร้อมแค่นี้นแกก็คิดแค่แกแค่จํากัดอันเนี้ยแกก็ไม่มองไปทั่วถึงว่าชีวิตที่แท้มันต้องการอะไรแล้วสังคมมนุษย์จะอยู่ดีกันได้ยังไงมันทําไปแล้วมันจะมีผลกระทบไปอย่างอื่นแค่ไหนเลยเนี่ยแกก็เป็นผู้ชํานาญเฉพาะทางเฉพาะทาง เลยเป็นเรื่องของอารยธรรมมนุษย์ยุคที่เจริญมากของตะวันตกที่ว่าชานาญไปเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องก็พยายามหาความรู้ความจริงกันให้เจาะลึกที่สุดในด้านของตนเองดึง ด, งดิ่งลงไปดิ่งลงไ ป, งงไปออพอเป็นความรู้ดิ่งเฉพาะด้านกลับไปมีผลกระทบด้านอื่นแต่ด้านตัวนี้พยายามไปให้สุดแล้วกลับมาแก้ปัญหามนุษย์ไปได้เช่นว่าทฤษฎีเศรษฐกิจ ทำให้มนุษย์คิดวางระบบในการต่อสู้แย่งชิงหาผลประโยชน์ให้ได้มากใช่ไหมแต่เสร็จแล้วอาการที่ได้วัตถุเสพมากมันก็ไม่ได้เกิดเป็นความสุขที่แท้จริงแก่มนุษย์เกิดเป็นปัญหาชีวิตจิตใจเช่นความเครียดเกิดปัญหาความแก่งแย่งเดือดร้อนข่มเหงกันในสังคมทำลายทรัพยากรธรรมชาติอีกต่อมาก็จึงรู้สานึกก็ผิดกว่าจะรู้ผิดอ่านะ สังคมก็ต้องเดินทางมาในทิศทางนี้ต้องเป็นหลายร้อยปีหรือเป็นพันปีอารยธรรมมนุษย์มันก็เลยวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนี่ทำไงจะให้เป็นการรู้เข้าใจตัวความจริงแท้นะ่ะที่มันเป็นระบบความสัมพันธ์ของทุกสิ่งหมดนะให้รู้เข้าใจชีวิตของตนเองธรรมชาตินะชีวิตของตัวเองคืออะไรเป็นอย่างไร มันควรจะต้องการอะไรมันจึงจะเป็นชีวิตที่ดีเลยเนี่ยนี่แหละมันเป็นเรื่องที่มนุษย์ไปกันไม่ค่อยถึงนี่ในทางพุทธศาสนาเราเนี่ยเราถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อันนี้ตรัสรู้ความจริงที่เห็นระบบความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายทั่วถึงนั้งชีวิตของเราและธรรมชาติแวดล้อมทั้งหมดจากความรู้เข้าใจระบบความสัมพันธ์อย่างทั่วถึงนี้ ให้เห็นในความเป็นไปเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาที่มีผลกระทบต่อกันนะส่งผลดีผลร้า ย, ยงงนะ อ, อย่างไรมองอย่างโทษถึงอันนี้จึงจะมาจัดการกับชีวิตและสังคมได้ถูกต้องนะจึงจะมาสร้างสรรค์ทำให้เกิดผลดีแท้จริงไดนะ้นี่เราก็ย้อนกลับไปดูการดิร้นรนของมนุษย์ที่พยายามที่จะเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนา นะเกิดปัญญาหรือวิชาการต่างๆสร้างอาริยธรรมวัฒนธรรมมนุษย์เนี่ยมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกเป็นอยู่ด้านหนึ่งก็คือเกิดความจําเป็นต้องเรียนรู้แต่ตัวเองก็เรียนรู้เพื่อสนองความต้องการเฉพาะนะ่ะหลักการก็มีว่ามนุษย์เกิดมาแล้วถ้ามองเป็นชีวิตบุคคลนะก็จะเห็นเป็นการที่พยายามเอาชีวิตรอด แล้วก็มนุษย์ก็มีการเรียนรู้ฝึกตัวขึ้นมาเพื่อดำเนินชีวิตตั้งแต่กินดื่มพูดจาเดินอะไรเป็นต้นนี่นะแต่นี่ว่าพื้นฐานก็ต้องอาศัยผู้อื่นคือพ่อแม่นะทีนี้มองไปในแง่สังคมเพราะการที่มนุษย์ต้องอาศัยกันเนี่ยไม่สามารถอยู่รอดลำพังมันก็มีการที่มายึดเป็นกลุ่มเป็นพวกนะช่วยกันบ้าง แต่พร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งก็ยังมีความเห็นกับตัวก็แย่งชิงกันอยู่ม น, นุษย์ก็เรียนรู้เป็นสังคมชีวิตแต่ละคนนี้ก็ถูกคุก ค, คามด้วยภัยคือความที่จะอยู่รอดหรือไม่รอดสังคมก็เช่นเดียวกันมองไปที่สังคมมนุษย์มองเป็นปฎิศาสตร์ความเป็นมาของสังคมเราก็จะเห็นเรื่องอย่างเงี้ยนีมีภัยอันตรายคุก ค, คามเราก็ใช้คําว่าเนี่ยหมู่มนุษย์เนี่ยถูกทุกข์วีบคั่นภัยคุกคาม เมื่อถูกมนุษยเ์เมื่อมนุษย์ถูกทุกขบีบคั้นภัยคุกคามแกก็ดินนนะด้นรนดิ้นรนขนขวายเพื่อจะอยู่รอดนะการที่จะดิ้นรนอยู่รอดนี่ก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้เพราะ น, นั้นการเรียนรู้การฝึกฝนตนเองนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างที่ว่าไปแล้วมนุษย์จะมีชีวิตอยู่แม้แต่อยู่รอดได้เนี่ยต้องเรียนรู้ต้องศึกษาแต่ว่าไอ้ที่แกเรียนรู้ศึกษาก็เพราะภายัย มันคุกขามทุกบีบคั้นมันเกิดความจำเป็นแก่ก็เรียนรู้ตามความจำเป็นนี้จากการที่ถูกทุกบีบคั้นภายคุกขามความเป็นอยู่ของมนุษย์สังคมมนุษย์ก็ดิ้นรนขนขวายการเรียนรู้อะไรต่างๆเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวทาสร้างสรรสิ่งต่างๆได้แก้ปัญหาได้ก็จเจริญงอกงามเป็นสังคมมนุษย์ขึ้นมาแต่ว่าข้อสังเกตก็คือว่ามันเป็นการที่ว่า การดิ้นรนขนขหวยนั้นเกิดจากทุกบีบคั้นภายคุกคามทําไปตามความจําเป็นไม่ใช่เกิดจากความรู้เข้าใจมาก่อนชีวิตสังคมอาเกี่งตัวเองไม่ได้รู้เข้าใจใช่มอันนั้นมันก็เพียงสนองความต้องการเฉพาะกรณีมันก็ไม่เป็นระบบเร น, นี้ก็แล้วแต่วิถีทางสภาพแวดล้อมเหตุจําเป็นภัยที่คุกคามทุกที่บีบคั้นนั้นมันจะมาด้านไหนตัวเองก็คิดหาทางออกไปคิดเท่าที่ได้ อริยธรรมก็จะเลยรุ่งเรืองขึ้นมาพร้อมกับการที่ใช้กิเลสเดิมนั่นแหละคือการที่ตัวเองจะต้องหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะและการที่จะต้องต่อสู้คนอื่นแย่งชิงบีบคั้นกันนะต่อสู้กับภัยข้างนอกธรรมชาติบางภัยจากมนุษย์ในการภัยจากมนุษย์นี่แหละมากมาเยเหลือเกินแต่และฝ่ายก็จะดิ้นรนเพื่ออยู่รอดจะให้ตัวอยู่ดีไอ้อีกฝ่ายก็เช่นเดียวกันก็มาเข้ามา ต่อสู้กันนะห่มเห่งกันครอบงามซึ่งกันและกันก็เป็นอย่างเงี้ยนะสังคมมนุษย์ก็เป็นแบบว่าเจริญแบบสุ่มสี้ซั่มจะว่าไปตามรูปนะภาพรวมภาพรวมสังคมมนุษย์นะคล้ายๆว่าบอกได้ว่ามีแผนแผนก็เป็นเพียงเพื่อตัวเองเนี่ยจะให้พวกตัวหรือกลุ่มตัวอยู่ดีเท่านั้นไม่จะเป็นแผนที่รู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติของชีวิตจริงหรอกมันไม่ใช่แผนที่ สอดคล้องกับความจริงทั้งหมดมันเป็นแผนเพื่อความสําเร็จเฉพาะหน้าของตัวเองเพราะนั้นความเจริญแบบนี้ก็เป็นความเจริญแบบที่ว่าเป็นไปตามความจําเป็นบีบคั้นคือทุกผีบคั้นภายคุกคามนะนี่อันหนึ่งแหละนี้ในกระบวนการที่มนุษย์ได้พยายามเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวก็คือการศึกษาด้านหนึ่งระดับหนึ่งนะนะเพื่อให้ตัวอยู่รอดได้ มีชีวิตที่เป็นสุขตามปราษาที่ตัวเข้าใ จ, นะนะจเนี่ยนะก็เจริญกันขึ้นมาดิน้นรนกันไปขนขวายกันไปเนะี่ยพร้อมกันนั้นมนุษย์ก็แสวงหาที่พึ่งนะในการแสวงหาที่พึ่งนี้ก็จะเกิดมีไอความรู้สึกที่ว่าสิ่งมีอำนาจอะไรนะที่มันเป็นตัวบันดาลให้เกิดผลหรือว่ามันเป็นตัวอยู่เบื้องหลังภัยอันตราย แล้วก็อยู่เบื้องหลังผลสำเร็จที่ตัวต้องการ ไ, ไอ้จันนี้ก็มีอันหนึ่งก็คือสภาพที่มนุษย์ไม่รู้เข้าใจโลกและชีวิตตัวเองมาอย่างไงชีวิตตัวเองจะเป็นยังไงข้างหน้าในธรรมชาติมีอะไรก็ไม่รู้นี่ในการที่อยู่ร่วมกันในว่างมนุษย์เองมนุษย์ก็เห็นอยู่คนที่มีอำนาจกว่ า, เ, าเราก็ต้องเชื่อต้องฟังต้องยอมแล้วเขาสามารถบรรดาลผลให้แกเราได้ นะเรากลัวนะถ้าเขายอมเขาชอบเรานะเขายอมหยุดไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายเรานะเราก็สามารถอยู่รอดได้ปลอดภัยได้หรือเราต้องการถ้าเขาจะบรรดาญผลสำเร็จให้เราเราก็ทำได้เราก็จะได้ผลประโยชน์นั้นนี่มนุษย์ก็คิดไปคิดมาก็ไปเห็นว่าในธรรมชาตินีที่มีอะไรเป็นไปอย่างไงมีภัยอันตรายบ้างมี สิ่งที่ตัวเองพอใจสมปรารถนาบางเนี่ยมันต้องมีอํานาจอยู่เบื้องหลังนะฮะก็เลยเกิดมีความเชื่อในเรื่องของอํานาจเร้นลับเป็นเทพเจ้าคือพวกเทวดาต่างๆอะไรขึ้นมาศา ส, สนาก็เกิดมีขึ้นเป็นศาสนาแบบโบราณอันนี้ศาสนาก็เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามของมนุษย์อีกแล้วนะก็คือว่าทําให้เกิดความรู้สึกได้ที่พึ่ง พอได้ที่พึ่งมันก็สบายใจขึ้ น, นเพราะนั้นเรื่องที่เกิดมาจากทุกบีบขั้นภผยคุกคามตอนนี้เราจะเห็นว่าออกไปสองด้านด้านหนึ่งก็คือมนุษย์จะต้องเกิดความจาเป็นในการดิ้นรนขนขวายเพื่อให้ตัวอยู่รอดและได้สิ่งที่ปรารถนา น, นี่ก็เป็นการสร้างสารรค์ความเจริญอีกด้านหนึ่งก็คือได้เกิด มีความหวังในสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่จะช่วยให้ตนอยู่รอดปลอดภัยโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นภัยอันตรายที่ตัวมองไม่เห็นพ้นอำนาจพ้นวิสัยของตัวเองอันนี้ด้านที่หนึ่งนี้ก็ทำให้มนุษย์สร้างสรรความเจริญขึ้นมาอย่างที่เราเห็นกันแต่อีกด้านหนึ่งก็คือาศาสนาเข้ามา ศาสนานี่ก็จะมีความหมายอย่างที่เรามาพูดกันทีหลังพวกนักปราชทางศาสนาก็จะบอกนี่เห็นไหมศาสนาก็คือที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ใช่ไหมเพราะว่ามีทุกบีบคั้นภายคุกคามเออก็ได้มีที่หวังที่พึ่งว่าเราเนี่ยอยู่ใต้อำนาจเทพเจ้าสิ่งเล่นลับเนะ่ยหรือพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างสารรค์โลก ถ้าหากว่าเราทําให้ท่านชอบใจได้ท่านมีอํานาจท่านก็จะช่วยเราพ้นภัยอันตรายแล้วถ้าท่านโปรดปรานท่านจะนําผลที่เราต้องการมาให้ด้วยใช่ไหมอย่างน้อยความคิดนึกความหวังอย่างนี้ก็ทําให้ใจสบายขึ้นแล้วก็เลยประดิษฐ์ประดอยหาวิธีเอาอกเอาใจเทพเจ้าในศาสนาโบราณทุกถิ่นไปหมดทั่วโลกจะมีเรื่องอย่างนี้แต่ในประเทศอินเดียก็จะมีการพัฒนาในลักษณะพิเศษ คือมายความว่าโดยทั่วไปก็จะเหมือนเมือนกันแบบเดียวกันคือว่าจะหวังพึ่งอำนาจเล่นลับเหนือธรรมชาติแล้วก็เกิดความสัมพันธ์ในการอ้อนวอนแต่ว่าวิธีการอ้อนวอนวงสวงของแต่ละถิ่นนี่แต่ละวัฒนธรรมก็จะต่างกันไปนีสลับอินเดียนี่ก็พัฒนามากจนกระทั่งเป็นพิธีบูชายันอย่างที่เราพูดกันไปแล้วนี่ เทพเจ้าของอินเดียนั้นมันไม่ใช่แค่ว่ามาบรรดาลผลที่ต้องการให้ยังเอื้อมเข้ามาจัดการสังคมมนุษย์อีกว่ามนุษย์นี่ถูกสร้างมาเสร็จโดยจัดให้มาอยู่ในชนชั้นระดับต่างๆในสังคมนะตั้งแต่เกิดจนตายก็ต้องอยู่อย่างนั้นซึ่งความเชื่อเนี่ยมันได้กลายเป็นตัวที่กำหนดสภาพสังคมอินเดียไปจนกระทั่งปัจจุบันนะี้ทำให้แก้ไขได้ยาก แล้วก็เลยอยู่ที่ลักษณะความสัมพันธ์กับไอ้อำนาจเล้นลับเนี่ยจะสัมพันธ์กันแบบไหนไปนคล้ายๆจับพลัดจับผูถ้าสัมพันธ์ในลักษณะที่เอื้อกลายเป็นเครื่องกระตุ้นหรือล้นบีบหรือังคับกระตุ้นให้คนยิ่งเปียนพยายามก็ได้แต่กระตุ้นไม่ดีหรือว่ากําหนดไม่ดีเชื่อไม่ดีเชื่อพลาดทําให้กลายเป็นว่าทําให้คนนี้ยุดติดอยู่ขยับขยื่อนไม่ได้เลยใช่ไหมอย่างสังคมอินเดียนี่ ความเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าเทพเจ้าบรรดาลอยู่เบื้องหลังโลกมนุษย์ได้มากําหนดมนุษย์ให้เกิดมาเป็นวันณะไหนอยู่อย่างนั้นจนตายห้ามเปลี่ยนแปลงก็เลยเป็นอันว่าทําให้มนุษย์ต้องหยุดอยู่กับที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างแต่แต่ละสังคมอาจจะมีข้อดีข้อเสียต่างๆกันแต่หลักการในเรื่องนี้ก็คือว่าทุกบีบคั้นไผ่คุกคามหาที่พึ่ง และศาสนาก็เข้ามาให้ที่พึ่งก็เลยคนก็มองว่าศาสนาเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ยึดเนี่ยวจิตใจปลอบประโลมใจหายทุกข์หายกลัวนะอย่างน้อยก็มีความหวังขึ้นมาแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมนุษย์นั้นนะ่ะเอาละด้านหนึ่งทุกบีบคั้นไผยคุกคามดิ้นรนขนขวายทําการสร้างสารรค์อะไรต่างๆหาทางอยู่รอดก็เกิดความเจริญขึ้นมาด้านนี้นะ พอจเจริญดีแล้วสบายแล้วทีนี้เอาและตัวเองมีอำนาจมีความสําเร็จมีความสุขมนุษย์ก็จะมีความโน้มเอียงไปในทางที่จะเพลิดเพลินมัวเมากับความสุขนั้นและหยุดดิน้นรนขนขวายนะะตอนนี้แหละสังคมก็เสื่อมอีกด้านนี้ก็ปรากฏว่าอารยธรรมมนุษย์นี่ได้ตกอยู่ในวงเวียนของความเสื่อมความเจริญเรื่อยมา พอทุกบีบขั้นภายคุกคามมนุษย์รุ่นเก่าก็ดิด้นรนขนขวาอยู่นิ่งไม่ได้มาตายนพอว่าสร้างสรรเจริญขึ้นมาได้มีวัตถุเสพทั้งพร้อมเป็นต้ น, นสังคมตัวเองมีอำนาจไม่กลัวใครจะมาบีบขั้นตอนนี้ก็จะโมเมาเสพสุขก็เสื่อมใช่ไหมอันนี้ในด้านหนึ่งทีนี้ไอ้ด้านที่มีที่หวังพึ่งอานาจเรีนรับเอาอีก พอมีอำนาจเล่นลับมาให้พึ่งนะได้ที่พึ่งแล้วมีเครื่องปลอบประโมใจตอนนี้แทนที่จะดิ้นก็ไม่ดิ้นด้วยซ้ำนะเพราะว่าเออเดี๋ยวเทพเจ้าจะช่วยมีความหวังแล้วเราก็นอนรอคอยความช่วยเหลือของเทพเจ้านะมันก็ไม่เจริญก้าวหน้าอีกนะอันนี้มันก็กลายเป็นว่าสยบมนุษย์ให้อยู่กับที่เหมือนกัน ก็เป็นจุดออดอีกเราอาจจะเรียกว่านี่คือที่สุดสองอย่างในสังคมมนุษย์คือด้านหนึ่งก็คือว่าดิ้นหล่นคดขวายไปเมื่อทุกบีบคั้นไปคุกคามดิ้นหล่นคดขวายไปแล้วก็จะเลยขึ้นมาโมเมาวก็เสื่อมทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือว่าบางทีแทบไม่ต้องดิ้นล่นดิ้นล่นบางด้านเท่าที่จะเป็นแต่ว่า การดิ้นรนกลายเป็นมีขอบเขตเพราะใจสบายขึ้นมาหรือมีความหวังจากเทพเจ้าจะมาช่วยเป็นต้นก็เลยไม่ดิ้นรนคนควายอันนี้เราจึงมาถึงจุดของพุทธศาสนาว่าเราพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาทำไมเรามองในสายตาพุทธศาสนาก็ว่าสองอย่างนี้เป็นสุดโตนะหมายความว่าด้านหนึ่งก็ ดิ้นรนไปตามทุกบีบคั้นภัยคุกคามเพราะดีมีความรู้ความเข้าใจในความจริงของโลกชีวิตอะไรเราก็เป็นดิ้นเพราะมันจําเป็นใช่ไหมแล้วก็คือความเจริญสนองความต้องการตัวเองแล้วก็เพลิดเพลินโมเมาก็เสือ่อมนะซึ่งสังคมแม้แต่ประเทศตะวันตกปัจจุบันนี้ก็กําลังจะอยู่ในสภาพนั้นจเจริญขึ้นมาแล้วก็ถึงจุดก็เพลิดเพลินโมเมาแล้วก็จะเสือ่อมทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือว่า จากการที่มีความหวังในความชื่อยเหลือจากอำนาจเล่นลับอะไรต่างๆนี่เนะมื่อถูกทุกข์วีบข้านไปคุกคามก็ได้ที่พึ่งความหวังนี้ก็มาปลอบประโลมใจก็ทําให้ตัวเองผ่อนเบาวคลายทุกข์ก็เลยไม่ค่อยดิ้นรนนะีอันนี้ก็ทําให้อยู่กับที่นะี่ศาสนาก็กลายเป็นมีความหมายเป็นเพียงสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ แล้วก็ปลอบประโลมขวัญทําให้สุขสบายใจได้อันนี้พุทธศาสนาไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีทั้งสองอย่างอันนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญอันหนึ่งที่จะต้องแยกเพราะว่ามีคนไม่น้อยแม้แต่นักวิชาการก็เข้าใจแค่ว่าศ า, าสนาก็คือที่พึ่งที่ยึดเนี่ยจิตใจของคนแล้วก็เสร็จแล้วก็จะได้ปลอบประโลมใจสบายนึกว่าศาสนาคือแค่นี้ ก็เคยพูดไปแล้วบอกว่าถ้าศาสนามีความหมายแค่นี้พุทธศาสนาก็ไม่ต้องเกิดขึ้นนะเพราะว่าอินเดียนั้นเขามีอยู่แล้วเขามีเทพเจ้าให้หวังพึ่งมันเป็นแสนแสนนะเทพเจ้าของอินเดียนั้นมีตั้งแต่พระพรหมลงมาไม่รู้ว่าเทพพญดามีเท่าไหร่ใช่ไหมอันนั้นเขามีที่พึ่งอยู่แล้วที่ยึดเดี่ยวจิตใจพุทธศาสนาจะต้องไปเกิดทําไม พุทธศาสนาไม่ได้มีความหมายแค่นั้นใช่ไหมพุทธศาสนาก็มองไปถึงเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกจึงจะมีชีวิตที่ดีงามได้นะเพราะฉะนั้นมนุษย์อยากจะมีชีวิตที่ดีงามเนี่ยจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองแต่พวกหนึ่งมาไปรอเหตุจำเป็นบีบคั้นมันจึงดินน้นรนมันจึงเรียนรู้ฝึกตน้นใช่ไหมและอีกพวกหนึ่งก็สบายซะเลยก็เลยเลิกเรียนรู้ฝึกตนซะน่ะ ทำไงจะให้มนุษย์เนี่ยอยู่กับความเป็นจริงนะทำการด้วยความรู้เข้าใจธรรมชาตนะิแล้วก็ปฏิบัติในเรื่องการเรียนรู้ฝึกฝนตนให้มันถูกต้องนะนั้นเราก็เลยสอนว่านี่นะนะที่แท้มันก็คือธรรมชาติของมนุษย์อย่างนั้นเองเราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนแล้วจึงจะมีชีวิตที่ดีงามได้ แล้วถ้าเราได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนไปเนี่ยมันจะสามารถมีชีวิตที่ดีงามประเสริฐเป็นมนุษย์ที่เลิศจะถ้าเป็นบุคคลก็เป็นพุท ธ, ธะเลยตั้งไว้เป็นแบบให้เห็นว่ามนุษย์นี่ดีงามประเสริฐเลิศมีความสุขมีความสมบูรณ์ในตัวอย่างไรนะแล้วก็ถ้าหากว่าเราพัฒนาคนอย่างนี้ขึ้นมานะซึ่งเป็นการพัฒนาถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงกฎธรรมชาติโดยเอาความรู้ในความจริงของธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ อย่างเนี้ยมนุษย์ที่พัฒนาดีขึ้นมาเนี่ยจะมาสร้างสรรค์สังคมที่ดีนะซึ่งเป็นสังคมมนุษย์ที่มีการพัฒนาที่แต่ละคนมีคุณธรรมมีความดีแล้วก็มาช่วยเหลือกันเองจะจะเป็นสังคมที่ดีงามได้สังคมอย่างเนี้ยเป็นสังคมที่พึงปรารถนานะเป็นสภาพที่เอื้อสังคมนี้จะมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการที่แต่ละคนอีกแหละก็จะมีชีวิตที่ดีงามมีความสุข ทั้งชีวิตคนก็ดีคือชีวิตคนที่ดีพัฒนาและประเสริฐก็จะมาเอื้อต่อสังคมและสังคมที่มีคนที่พัฒนาอย่างนี้ก็จะเอื้อต่อการพัฒนาตัวของแต่ละคนเพราะนั้นในแง่บุคคลก็พัฒนาได้สูงสุดจนเป็นพุทธแล้วก็ในแง่สังคมสังคมที่ดีก็คือสังคมคนที่พัฒนาและอย่างเนี้ยเราเรียกว่าสังฆะ อันนี้ทางพุท ธ, ธและสังฆานี้เราก็เห็นได้ว่าจะเกิดขึ้นมาจะมีแต่ละคนนี่แหละจะพัฒนาตนเองจนเป็นพุท ธ, ธนะหรือเข้าในทางไปเป็นพุท ธ, ธได้เนะี่ยก็เพราะดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตามความจริงของกฎธรรมชาตินะทำการต่างๆถูกต้องตามกฎธรรมชาตินะั้นตามเหตุปจนะัจจัยรู้จักเอาความจริงในกฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ แล้วก็เข้าถึงตัวความจริงนั้นจรกระทั่งวางใจจิตใจต่อโลกและชีวิตได้ถูกต้องเพราะนั้นทั้งหมดเนี้ยการที่จะเป็นพุท ธ, ธกะก็ตามสร้างสารรค์สังฆะสังคมที่ดีงามได้ก็ตามเนี่ยต้องต้องโยงก็างหาตัวธรรมะตัวความจริงในกฎธรรมชาติซึ่งจะเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์่างมันได้ได้ปัญญาเนะนั่นพนุก็จะไปาต้องพัฒนาปัญญา แล้วจะพัฒนาปัญญาได้ก็ต้องอาศัยพฤติกรรมจิตใจมาเกื้อหนุนต้องไปด้วยกันทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วมนุษย์ก็ทําการได้ถูกต้องตามกฎธรรมชาติรู้ความจริงขอธรรมชาติเอาความจริงในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์และจิตใจที่รู้ความจ ร, รมิงนั้นก็จะปรับตัวเองเป็นจิตใจที่นะ่ยวางท่าทีต่อสิ่งต่งตางๆได้ถูกต้องนเป็นชีวิตที่ดีงามก็เลยเราก็ได้หลักขึ้นมาว่าเป็น พรัตนาไตรที่ว่าจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ต้องฝึกเนี่ยสามารถพัฒนาขึ้นไปจนสูงสุดเป็นพุท ธ, ธเราก็ได้บุคคลไปเป็นแบบอย่างพุท ธ, ธะนี่เป็นตัวตั้งเป็นสุดยอดของความเป็นมนุษย์นะได้พุท ธ, ธเป็นสุดยอดของมนุษยนะ์มนุษย์พัฒนาไปเป็นพุท ธ, ธ ที่มนุษย์จะพัฒนาไปเป็นพุทธะได้ก็เพราะรู้เข้าใจทําได้ถูกต้องสอดคล้องกับตัวความจริงที่เราก็ทะเอาธรรมะมาใช้ไปอยชนะ่จนถึงที่สุดก็ต้องธรรมะก็หมายความว่าไอ้นี่ก็คือตัวความจริงในธรรมชาตินี่เองใช่ไหมก็ต้องหนึ่งได้หลักพุท ธ, ธนะเป็นสุดยอดของมนุษย์พัฒนาสองธรรมนะเป็นตัวที่จะทําให้มนุษย์พัฒนามาเป็นพุทธะได้ ธรรมนียกอยู่ในธรรมชาติน่เองเป็นแก่นเป็นเนื้อหาเป็นสาระของธรรมชาตินะต้องเข้าถึงตัวนี้แล้วก็เมื่อแต่ละคนได้มาดำเนินชีวิตปฏิบัติตามหลักความจริงของธรรมชาติคือธรรมานิยเอาธรรมมาใช้ประโยชน์ชีวิตแต่ละคนก็พัฒนาขึ้นมามนุษย์ที่พัฒนาอย่างนี้จะมารวมกันเป็นสังคมที่ดีงามเรียกว่าสังฆะนะนี่คือ หลักของพุทธศาสนาสามอย่างถ้าเรายึดถือหลักสามอย่างนี้ไว้แล้วเราจะโยงไปหาความเข้าใจพุทธศาสนาได้หมดนะฮะอันนี้ก็เท่ากับ ว, ว่ามาเป็นหลักสําหรับให้เราเป็นจุดเริ่มต้นจะเข้าสู่พุทธศาสนาจะเข้าสู่หลักการปฏิบัติอะไรต่างๆนี้มองอันเนี้ยเป็นหลักไว้นะมองพพุทธธรรมสังฆะเป็นหลักเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเชื่อมโยงไปหา หลักการข้อปฏิบัติอื่นไปหมดเลยนะก็ไปอลนว่าพุทธศาสนาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาที่ว่าศาสนานั้นไม่ได้เป็นแค่ที่พึ่งที่ยึดเนียจิตใจที่จะทำให้คนนี้ได้ปลอบประโลมใจปลอบประโลมขวัญแล้วก็มีความหวังในการที่จะเป็นอยู่นะโดยที่คิดว่าจะมีสิ่งที่มีอํานาจเล่นลับ มาช่วยเหลือนะไม่ไปมัวรอคอยอย่างนั้นแล้วมันเปลี่ยนท่าทีใหม่นะก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็เอาสิ่งยึดเหนี่ยวอันใหม่เข้ามาให้แทนแต่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวชนิดที่ว่าไม่ใช่พอยึดเหนี่ยวแล้วก็เลยไปรอคอยหวังพึ่งแล้วตัวเองก็เลยไม่ต้องทําอะไรแต่เป็นสิ่งทึดเหี่ยวเป็นยึดเหนี่ยวในแง่ว่าอ๋อจะได้มีหลักที่จะโยงไปหา หลักการใหญ่ๆสำคัญที่เกี่ยวกับการฝึกฝนพัฒนามนุษย์ะฉะนั้นหลักยทดเหนี่ยวในพุทธศาสนาก็จะต่างจากศาสนาเดิมในที่นี้ก็เกิดขึ้นในอินเดียก็ศาสนาพราหมณ์ว่าเดิมนั้นเขามีสิ่งที่ให้ยึดเหนี่ยวจิตใจจะได้หวังพึ่งก็รอคอยความช่วยเหลือก็ไปอ้อนวอนด้วยการบูชา ย, ยาญเป็นต้นศาสนาก็ให้สิ่งยึดเหนี่ยวขึ้นมาก็คือพัตนตาใจ ว่าพุทธธรรมะสังฆะพอมายึดเนี่ยพระรัตนตรัยแล้วจะโยงไปหาสิกขาทันทีใช่ไหมว่าพุทธะอ้ามนุษย์นี่มีชีวิตที่ดีงามได้พัฒนาได้จนสุดยอดไปพุทธนั้นตัวเราก็เหมือนกันเราก็สามารถจะเป็นพุทธะอย่างนี้จะมีชีวิตที่ดีงามก็ทําไงละ่ะก็ต้องฝึกฝนพัฒนาตัวอย่างขึ้ไปเรียนรู้เรียนรู้ยังไงก็ต้องเข้าถึงธรรมะเนี่ยหลักที่สองใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะได้มา รวมกันนะจากคนที่พัฒนาอย่างนี้ก็จะเป็นสังฆะเป็นสังคมที่เป็นอุนดมคติเราตั้งอันิไว้แล้วก็โยงไปหาการฝึกฝนพัฒนามนุษย์เพราะนั้นศาสนาก็ไม่ใช่เป็นเพียงที่พึ่งที่ยึดเนี่ยจิตใจแล้วก็ปลอดประโลมใจแล้วก็สบายหายทุกข์หายร้ยอนแล้วไปอ้อนวอนนอนรอคอยความช่วยเหลือแต่กลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นหลักให้พอไปมองดูพอไประลึกถึงแล้ว ก็มากระตุ้นเตือนตัวเองให้ลรลึกถึงหน้าที่ความสามารถที่ตัวมีว่าเราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองเพราะนั้นจึงได้พูดว่าศาสนานั้นถ้าเราจะใช้คำว่าที่พึ่งที่จิตเหนี่ยวก็ต้องแยกเป็นสองแบบคือเอาสำนวนเก่าเข้ามาใช้แล้วก็แยกศาสนานในความหมายหนึ่งเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ดึงเหนี่ยวแล้วเหนี่ยวลง ดึงลงดึงลมให้จมให้วนเวียนอยู่อย่างนั้นอ่ะวนเวียนอยู่ในความหวังโดยการปลอบประโลมใจตัวเองแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรรอคอยความชิวเหลืออันนี้เรียกว่าเหนื่อยเหนียวแล้วดึงลงทีนี้พุทธศาสนานี่ให้ที่พึงที่ยึดเนี่ยวจิตใจจะได้ดึงขึ้นพอมายึดเนี่ยพระรันตนใจปั๊บได้สรณะเป็นที่พึ่งก็คือเตือนใจให้นึกถึงธรรมชาติของตัวเองให้นึกถึงหลักการของธรรมชาติ นึกถึงการที่จะต้องพัฒนาปัญญาเพราะจะต้องทําการเช่นดําเนินชีวิตนี้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงให้ถูกต้องและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาจนเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐสร้างสังคมที่ดีขึ้นมาด้วยการรู้เข้าถึงธรรมใช้ธรรมมาให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมอันนั้นะเราเรียกว่าเนี่ยและดึงขึ้นนะอาศัยเป็นที่เกาะเพราะจะเดิมนี่ไม่รู้จะไปทางไหนเควงคว้างเลื่อนลอยยังไม่มีหลัก พอได้พระรัตนตรัยมาปั๊บก็ได้หลักได้หลักนี้ก็จะชี้นําตัวเองโยงไปหาสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติต่อไปให้ถูกต้องนั่นเราเรียกว่ายึดเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นเหนีน่ยวขึ้นมาไม่ใช่เหนี่ยวแล้วดึงลงใช่ไหมเราก็ใช้คำนวนเก่าวไปว่าศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนานั้นถ้าจะใช้คําว่าศาสนาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ต้องมีในความหมายว่า เนี่ยวแล้วดึงขึ้นพอเหนี่ยวปั๊บแล้วท่านจะได้ช่วยชีย้ทางให้ต่อไปว่าตัวเองจะต้องทําอะไรใช่ไหมเอออันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกับการสรุปสิ่งที่พูดใหม่ครั้งหนึ่งซึ่งที่จริงก็พูดไปแล้วนะนะพูดไปพูดมากลับมาสรุปกัอนอีกนะอันนี้ก็เลยโยงเข้าหาคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธเจ้าตรัสไว้ คาถานี้มีในพระธรรมบทนะซึ่งทำให้เรามองเห็นภาพของศาสนาต่างๆรวมทั้งพุทธศาสนาด้วยพระธเจ้าตรัสว่าพระหุงเวสรนังยันติปปพตานิวานิจะเป็นต้นนะคาถานี้ก็แปลได้ความว่ามนุษย์ทั้งหลายถูกภัยคุกคามแล้วนี่แหละที่ว่าถูกทุกบีบขั้นภัยคุกคามก็พากันยึดเอา เจ้าป่าเจ้าเขาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นเป็นที่พึ่งแต่อันนั้นไม่ใช่สารณะอันเกษตรมนุษย์ทั้งหลายยึดเอาสิ่งเหล่านี้เป็นสารณะหรือที่พึ่งแล้วจะพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงหาได้ไหมส่วนผู้ใดมาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วรู้ทุก รู้เหตุของให้เกิดทุกข์รู้จุดหมายสภาวะเป็นที่ดับไปแห่งทุกข์และมันคาหรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบนั่นแหละจึงจะเป็นสาระอันกเกษมเมื่อถึงสรณะนี้แล้วก็จะสามารถพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นี่เห็นไหมฮะนี่คือ การแยกระหว่างศาสนาโบราณเช่าสนาพราหมกับพุทธศาสนาใช่ไหมอันเก่านั้นก็ทุกบีบคั้นภายคุกขามแกก็มายึดเอาเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งแกก็ได้ความหวังปลอบประโลมใจอย่างน้อยก็เออใจก็สบายไปหลบทุกไปได้ชั่วพักชั่วยามก็ยังดีใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าปลอบประโลมบำรุงขวัญก็สบายใจไป แต่มันก็เลยจมอยู่นั่นเองก็รอคอยความชื่วเหลือทีนี้มายุตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะมันไม่หยุดอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจะบอกอ้าวนี่เห็นไหมในท่านนะมีความสามารถท่านเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เช่นเดียวกับเรานี่เราต้องพัฒนาตัวมาจึงเป็นพุท ธ, ธะท่านก็พัฒนาตัวได้เนะีเอาสิท่านก็เรียนรู้พัฒนาปัญญารู้เข้าใจความจริงในธรรมชาติ คือตัวธรรมะแล้วท่านก็จะปฏิบัติสิ่งทั้งหลายทำการต่งตางๆให้สำเร็จผลได้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยนะท่านทำการสำเร็จท่านพัฒนาชีวิตของตนเองจเจริญยิ่งขึ้นจนเป็นพุท ธ, ธานได้แล้วแต่ละท่านทำอย่างนี้ขึ้นมาสังคมของท่านก็จะดีงามเป็นสังค์ใช่นี่คือพอหยุดแล้วมันต้องมีอะไรทาต่อไปเดินหน้านะจึงว่ายุดเหนี่ยวแลวดึงขึ้น ก็เนี่เพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยนี่ก็เลยโยงไปหาอริยสัจอริยสัจก็คือความจริงของความเป็นเหตุเป็นผลในกฎธรรมชาติที่มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์คือความจริงในธรรมชาติก็คือกฎความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นมันมีเข้ามาอยู่งั้นแต่ในแง่ที่มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่มนุษย์จะใช้ประโยชน์ความจริงในส่วนที่จะมาใช้ประโยชน์กับมนุษย์นี้เรียกว่าอริยสัจเป็นความจริงที่มนุษย์จะต้องรู้ เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายต่อธรรมชาติแล้วมันจะเกิดผลกับชีวิตของตนเองในการแก้ปัญหาในการสร้างสารรค์ชีวิตที่ดีงามนะพระตกลงตอนนี้ก็เข้าว่าพอไประลึกถึงพระธรรมนตรยัยยึดเอาพระธรรมนตรัยเป็นสระณะพระรรมนตรัยนั้นก็จะโยงตัวเราเข้ามาหาหลักความจริงของธรรมชาติในส่วนที่จะมาใช้ประโยชน์แก่มนุษย์เรียกว่าอริยสัจ เนะพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยก็โยมมหาอวิยสัตวนะ์พอถึงอริยสัตว์ก็คือการที่มนุษย์เอาความจริงในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้นะแล้วก็มนุษย์ปฏิบัติได้โดยสอดคล้องกับความเป็นจริงกฎธรรมชาติจนกระทั่งเข้าใจรู้เข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติจนกระทั่งมีจิตใจที่เป็นอิสระได้นะ จนกระทั่งว่าสภาวะในธรรมชาติที่เราเรียกว่ามันเป็นกฎธรรมชาติเป็นสภาวะลักษณะของมันที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นีมันไม่เป็นตัวตนของมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งปรากฏแก่มนุษย์ในลักษณะที่ว่ามันไม่เป็นไปตามปรารถนาของเราเลย <c oughs> คือโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยมันไม่เป็นไปตามปรารถนาของมนุษย์ เนี่ยมันเป็นไปตามทางของมันเพราะมันมีกฎธรรมชาติอยู่เบื้องหลังภาวะที่มันมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยปรากฏในอาการที่ไม่เป็นไปตามปรารถนาก็เราเรียกว่าทุกข์ใช่ไหมทีนี้มันการที่มันไม่เป็นตามปรารถนาก็เพราะว่ามันธรรมชาติของมันเองมันเป็นอย่างนั้นคือการที่มันไม่เที่ยงมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อมนุษย์รู้เข้าถึงมันก็จะใช้ประโยชน์จากมันได้ในการที่ว่า หนึ่งก็คือรู้ความจริงที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็รู้ว่ามันไม่เป็นไปตามปรารถนาของเราหรอกมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้สิ่งทั้งหลายเป็นยังไงตามที่เราต้องการเราต้องไปศึกษาไปเรียนรู้ทำให้เกิดปัญญารู้ความจริงของมันแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนั้นผลมันจึงจะเกิดขึ้นตามต้องการถูกไมฮะนี่อันที่หนึ่งละสเมื่อรู้ความจริงอ น, นั้นก็คือว่าออ ไอ้ความเป็นไปงสิ่งทั้งหลายที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสภาวะในธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องไปหวังไปปรารถนาเอาจะให้เป็นยังไงตามที่เราต้องการเนะีเพียงแต่วางใจให้ถูกได้ปัญญาปฏิบัติตอมได้ปัญญานะก็อย่างที่ว่าข้อต้นก็คือว่า เราก็รู้ความจริงแล้วปฏิบัติตามมาด้วยปัญญาทําให้มันเกิดผลจัดการกับเหตุปัจจัยมันก็เป็นไปตามนั้นแล้วเสร็จแล้วไอ้ที่มันเป็นไปต่างๆที่ว่ามันเป็นทุกข์ฝืนความปรารถนานั้นมันเป็นเรื่องของธรรมดาในธรรมชาติเป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปมันอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้เป็นทุกข์ในธรรมชาติเมื่อเรารู้ถึงที่สุดแล้วทุกข์ในธรรมชาติก็เป็นทุกข์อยู่ในธรรมชาติไม่มาเป็นทุกข์ในตัวเรานี แยกออกไปได้ไปอันว่าทุกข์ก็จะเป็นภาวะตามกฎธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจลักษเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นสังกัธรรมทั้งหลายก็เป็นอย่างไรของมันเองอ่ะนะเราไปแก้มันไม่ได้แต่ว่าเราไปใช้ประโยชน์จากมันได้จากไอ้ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปใช้ประโยชน์จากการรู้ตัวธรรมคือความจริงของมันและปฏิบัติได้ปัญญาแต่ว่าเราจะไปแก้มันให้มันเปลี่ยนกฎธรรมชาติเปลี่ยนไปได้ แต่ว่าทําไงจะไม่ให้ไอิทุกข์ในธรรมชาติความเป็นไปนั้นเข้ามาครอบงำจิตให้เรากลายเป็นทุกข์เมื่อเรารู้ความจริงถึงที่สุดแล้วทุกข์ในธรรมชาติก็อยู่ในธรรมชาติไม่มาเป็นทุกข์ในตัวคนพราะฉะนั้นคนก็หลุดพ้นนะได้สองขั้นคือหนึ่งสามารถปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาทําให้เกิดผลสําเร็จตามที่ต้องการเท่าที่เป็นไปได้ตามเหตุปัจจัยและวิสัยแห่งปัญญาของตน สพร้อมกันนั้นก็ทิ้งให้ทุกนั้นเป็นทุกในธรรมชาติไม่มาเป็นทุกข์ในตัวเราเนะีเราก็เป็นอิสระอันนี้มนุษย์นี่ปัญหาสุดท้ายมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะมันวางตัววางใจปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายแม้แต่ชีวิตของตนเองไม่ไม่ถูกมันถึงได้เกิดวุ่นวายไปหมดเนะี่ยขั้นสุดท้ายก็มาอยู่ที่นี่พรนะเจ้าศาน า, าก็ให้หลักการ ก, กว้างอย่างนี้เมื่อให้หลักการกว้างนี้แล้วมนุษย์ก็มาดําเนินชีวิตปฏิบัติกิจการ พัฒนาชีวิตของตนเองสร้างสารรค์สังคมจัดวางระบบอะไรให้มันตั้งอยู่บนฐานความรู้เข้าใจความจริงนี้กันแล้วกันและมันจะแก้ปัญหาได้ทีนี้ว่าก็อยู่ที่ว่าเราจะเน้นจุดไหนและจะแก้แค่ไหนให้มันอยู่ที่มีความเข้าใจมีปัญญานี่ก็จากจุดที่ว่ามนุษย์เกิดมาต้องอยู่รอดถูกทุกบีบขั้นภยัยคุกคามแง่หนึ่งก็คือว่าเพราะ มันถูกทุกบีบคั้นภายคุกคามก็เลยจําเป็นต้งดิน้นรนข้นขวายก็ทํำนู่นทํานี่คือไปแบบว่าเป็นความเจริญตามที่ตนเรียกไม่รู้จะเจริญหรือเสื่อมแน่ก็รู้มันก็มีการสร้างสรรค์อะไรแต่อะไรที่เราเรียกว่าพัฒนาขึ้นมานานๆก็มารู้ทีว่าพัฒนาผิดและพัฒนามายังยืนเลยเนี้ยนะเนี่ยอันนี้ก็ทํากันไปนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเนี่ยก็เป็นความเจริญ ง, งอก ง, งามของมนุษย์ซึ่งอาจจะเรียกว่า จะเรียกว่าผิดก็ได้นะเพราะว่ามันไม่รู้ความจริงอย่างถ่องแท้นี่ด้านหนึ่งแล้วก็สองก็คือการที่เกิดมีศาสนาซึ่งให้ที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจปลอบประโลมขวัญ น, นะทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่ามาจากเนี่ยมาจากทุกบีบคั้นภายคูกขามเพราะนะั้นจากจุดเนี้ยทำไงมนุษย์จะเข้าสู่ทางที่ถูกต้องพุทธศาสนาก็โยงเข้าสู่ธรรมชาติมนุษย์ ให้เห็นว่าที่แท้แล้วมันอยู่ที่นี่นีก็เป็นแต่เพียงพระพุทธศาสนาก็มาให้หนึ่งมาชี้ความจริงให้สองให้เครื่องบำรุง ข, ขวัญหนึงเ่เกิดกําลังใจที่จะทําสู้ต่อไปวันนี้ก็เท่ากับ ว, ว่าเราก็มาโยงเรื่องเกี่ยวกับศาสนาให้เห็นว่ามันมาจากเรื่องความเป็นไปในชีวิตสังคมมนุษย์นั่นแหละแล้วก็พุทธศาสนาเกิดขึ้น มีความแตกต่างจากศาสนาอย่างอื่นอย่างไรและปฏิบัติต่อเรื่องทุกบีบคั้นภายคุกคามที่เป็นสิ่งประจำในโลกมนุษย์ได้อย่างไรนะการพุทธาสนาก็โยงไปสู่เรื่องของการฝึกฝนเรียนรู้พัฒนามนุษย์นะตามความเป็นจริงกฎธรรมชาติซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของตัวมนุษย์เองทำให้เกิดหลักศิกขาขึ้นมาใช่ สิกขาก็จะทําให้เราเอาความรู้ความจริงหรือตัวธรรมะในกฎธรรมชาติมาใช้ได้แล้วก็พัฒนาปัญญาที่จะรู้ถึงความจริงนั้นนะมันก็บนอยู่แค่นี้แหละนะเรื่องของมนุษย์ก็ไม่ไปไหนอตอนนี้เราได้หลักพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็มาสรุปความหมายของพระรัตนตรัยกันนิดหนึ่งว่า ก็การที่ว่ามนุษย์ดิน้นรนขนขวายอยู่มไม่มีหลักไม่มีแนวทางนะก็หาทางรอดดิน้นรนทำโน่นทำนี่สร้างความเจริญขึ้นมาอย่างสุมส่สุมอย่างหนึ่งแล้วก็มีศาสนาให้สิ่งที่เข้าใจว่ามีอำนาจเล่นรับโดนบันดาลมาสำหรับให้มนุษย์ได้อ่อนวอนรอคอยความช่เหลือมีความหวังปลอบประโลมใจไปสายหนึ่งเนี่ย พระพุทธเจ้าก็มาค้นพบความจริงนะแล้วก็บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกฝนพัฒนาได้ต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองจึงจะมีชีวิตที่ดีงามก็เลยเป็นบุคคลที่มาเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อื่นนะในขณะที่คนทั้งหลายไม่มีหลักนะก็ได้พระพุทธเจ้ามาเป็นหลักให้นะจะได้มาเป็นตัวอย่างสําหรับระ ล, ลึกถึงแล้วก็จะได้โยงกล่าหาตัวหลักความจริงที่ว่ามาทั้งหมด เพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็คือท่านผู้ที่ได้พัฒนาชีวิตตนเองพัฒนาตนเองจนกระทั่งบรรลุความสำเร็จเกิดปัญญารู้ความจริงของธรรมะใช้ประโยชน์จากธรรมะได้เต็มที่เราก็เรียกว่าเป็นผู้จัดสรู้แล้วเป็นพุท ธ, ธ เ, เมื่อเราลึกถึงพระพุทธเจ้าก็จะได้ประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งก็คือทาให้เกิดความมั่นใจในศักยภาพของมนุษย์ เพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นมนุษย์นี่นะเห็นไหมมนุษย์นี่มีความสามารถพัฒนาตนเองได้นจนกระทั่งมีปัญญารู้ธรรมะเป็นผู้ประเสริฐมีคุณสมบัติเลิศมีคุณความดีมีความสุขมีความเป็นอิสระมีความพ ร, พร้อมบริบูรณ์ในตัวอย่างเงี้ย น, นี่เห็นไหมมนุษย์พัฒนาได้ก็ทําให้เกิดมนุษยใ์ให้เกิดความมั่นใจกับตนเองของมนุษย์ทั้งหลายที่เราลึกถึงพระพุทธเจ้า เราลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความมั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ว่าโอ้เราก็เป็นมนุษย์อย่างพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพัฒนาตัวเองได้เราจะเป็นได้อย่างพระองค์ถ้าเราพัฒนาตัวเองนะเกิดกําลังเออเกิดความมั่นใจนี้เรียกว่าศรัทธาเป็นศรัทธาพื้นฐานเมื่อเราลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาพื้นฐานอันนี้ขึ้นมาศรัทนธะานี้ก็จะเรียกได้ว่าตถาคตโพธิศรัทธา ศรัทธาความเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตก็แปลเอาความว่าเชื่อมั่นในปัญญาที่ทําให้มนุษย์ตรัสรู้ไปเป็นพุทธะได้เนี่ยมนุษย์ธรรมดาเนี่ยพัฒนาปัญญานี้ขึ้นมากลายเป็นพุทธะได้ใช่ไหม เ, เราพัฒนาปัญญานี้ขึ้นมาเราก็เปลี่ยนเป็นพุทธะเหมือนกันเกิดความเชื่อมั่นอันนี้อันนี้เป็นศรัทธาที่หนึ่งนะ เนี่ยพอเราลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้อันนี้แหละสองอะไรสองก็ทำให้ตระหนักในหน้าที่ของมนุษย์ว่าก็เราต้องการชีวิตที่ดีงามเนเราจะมีชีวิตที่ดีงามได้ไงเราก็ต้องฝึกฝนต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาตัวเองต้องศึกษาหน้าที่ของมนุษย์ก็คือการ เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนเองนี่คือหน้าที่ที่แท้ จ, จริงก็เกิดความรู้ตระหนักในหน้าที่สำนึกในหน้าที่นี้อยู่เสมอว่าจะเป็นคนที่เลื่อยเชยปล่อยประละเลยไม่ได้นะจะมีชีวิตที่ดีงามต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองเรียนรู้เตือนให้ถึงหน้าที่ของตัวเองนะอ้าวสามอะไรอีกละลึกถึงพระพุทธเจ้านะสามก็ได้กาลังใจ ถ้าเกิดรู้ว่ามนุษย์จะต้องฝึกตัวเองเอ๊แตฝึกไปแ ล, แล้วมันได้แค่ไหนนะมันจะสำเร็จหรือเปล่าหรือแม้แต่ว่ามั่นใจว่าสำเร็จแต่ว่าพอไปเจออุปสรรคเขามันยากถอยชักท้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอมีพระพุทธเจ้าไว้เป็นหลักระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ละลร ะ, มละลึกเปล่าท่านก็ให้ประวัติการพัฒนาตนเองประวัติการคน สแสวงธรรมะของพระพุทธเจ้าประวัติการที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีแสนจะยากลําบากนะแม้แต่สละชีวิตก็ทําได้มีเรื่องราว ม, มากมายเหลือเกินอุปสรรคในการที่จะพัฒนาตนพอเราเราลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้ลึกถึงประวัติการบําเพ็ญบารมีของพระองค์ถ้าเราจะเกิดเป็นทอดใจนะเราเกิดอ่อนแอขึ้นมาเราไปเจออุปสรรคชักตะท้อ พอเราลึกถึงประวัติพระพุทธเจ้าเราได้เห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้าเจอมาหนักกันเราเยอะแยะแค่นี้จะไปกลัวทำไมก็ฮึดสู้ต่อนี่เกิดกำลังใจขึ้นมาหลังนจะากนั้นเราลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้กำลังใจนะแล้วก็สี่ได้อะไรสี่ก็คือพระพุทธเจ้านี่แม้ต้องลำบากพระองค์นี่เป็นคนแรกบุกเบิกต้องลองผิดลองถูกกว่าจะสาเร็จนี่ยากมาก ทีนี้พอสําเร็จแล้วพระองค์ก็เอาประสบการณ์ของพระองค์มาเล่าทำให้รู้อันไหนผิดอันไหนถูกการที่จะปฏิบัติถูกทำยังไงก็เลยพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องขึ้นมาทำให้ง่ายแก่เราเราไม่ต้องไปเรียนผิดเรียนถูกรองผิดรองถูกอย่างพระพุทธเจ้าเราได้ประสบการณ์ของพระพุทธเจ้ามาใช้ประโยชน์ได้วิธีปฏิบัติลัดสั้นเลยดะนั้นก็ตกลงว่าสาสีเราก็คือได้ ประโยชน์จากประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีปฏิบัติที่ง่ายขึ้นใช่ไหมประยาณว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่ได้ประโยชน์4ี่ประการนะเราเรียกว่าเป็นสรรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นเครื่องเตือนใจอทวนอีกทีหนึ่งหนึ่งก็ทําให้เราเกิดความมั่นใจเกิดศรัทธาพื้นฐานคือเชื่อในปัญญาของมนุษย์ที่พัฒนาได้ซึ่งจะทําให้สามารถ ทำให้มนุษย์กลายเป็นผู้ประเสริฐเป็นพุทธะไดน้นี่ซึ่งเราก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่จะพัฒนาได้อย่างนี้สองก็ทำให้เกิดความรู้ตระหนักในหน้าที่ของตนว่าเป็นมนุษย์แล้วจะมีชีวิตดีๆได้ต้องเรียนรู้สูผลพัฒนาตนต้องศึกษาสามก็ทำให้เกิดกำลังใจว่าจากประวัติการเพียรพยายามมาเพ็นบา ร, รมีของพุทธเจ้าพ้องลบากกันเรา เราจะไปทอดในที่สุดพระองค์ก็สำเร็จเราทาเราสู้เราก็จะสำเร็จแล้วก็สี่ก็ได้ประโยชน์จากประสบการณ์ของพระองค์ที่ทาให้เราได้วิธีปฏิบัติที่สะดวกและง่ายขึ้นไม่ต้องลองผิดลองถูกอย่างพระองค์แต่ข้อสำคัญก็คือว่าทั้งหมดนี้ก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะโยงไปหาธรรม อ, อ้าวที่เราได้พัฒนาตัวเองมาสำเร็จอย่างนี้เป็นพุท ธ, ธะก็เพราะอะไรกัน ก็เพราะว่าได้รู้ธรรมคนพบธรรมแล้วได้ปฏิบัติสอดคล้องถูกต้องตามความเป็นจริงของกฎธรรมชาตินะแล้วก็เลยสามารถเอาความรู้ในความจริงของกธรรมชาติมาใช้ประโยชน์แก่ชีวิตตลอดจนมาสร้างสารรมาตั้งสังฆะมาตั้งชุมชนอะไรต่งตางๆขึ้นมาเราก็เหมือนกันเราก็จะต้องใช้ธรรมะเป็นหลักเอาธรรมะตือตัวความจริง ในกฎธรรมชาตินี่แหละมาเป็นหลักในการที่จะดำเนินชีวิตในการที่จะสร้างสรรค์ทำการในสังคมต่างๆเพืะจะให้มีชีวิตที่ดีสังคมที่ดีต้องรู้เข้าใจตัวความจริงในกฎธรรมชาติเราต้องทำให้สอดคล้องเพราะฉะนั้นธรรมะจะต้องเป็นหลักสำคัญนั้นจากพุทธะก็โยมมหาธรรมะและเราก็จะสามารถพัฒนามนุษย์พวกเราด้วยกันเนี่ยมาสร้างเป็นชุมชนที่เอื้อต่อกัน เป็นชุมชนของกลที่พัฒนาในระดับต่างๆแล้วมีความสัมพันธ์มีความเป็นอยู่ซึ่งจะเอื้อต่อการให้แต่ละคนนี่พัฒนาตัวเองได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสังคมที่ดีงามร่มเย็นเป็นสุขมีสันติสุขเป็นสังฆ ะ, ะเป็นสังคมแห่งการยา น, นมิตร น, นี่แหละชีวิตสังคมมนุษย์ที่ดีในที่สุดก็ต้อ ง, อ, ง, อ, งอย่างเงี้ยอย่าไปโม้วหวังหนึ่งก็คือถูกทุกบีบคั้นภายคุกคามก็ดิ่นลน ขนขวายต่อสู้สุมสี่สุมห้าไปจเจริญไปมีความสุขสบายกับมัวเมากลับเสื่อมลงไปนะหรือมางั้นก็ไปมุ่งหวังอำนาจเดินลับภายนอกมาคอยช่วยแล้วก็เลยไม่พัฒนาตัวเองนะก็อยู่อย่างนั้นนะหมกอยู่จมอยู่บนเวีย น, ยนอยู่ในเรื่องของความงมงายความหวัง การรอคอยความช่นเหลือการปลอบใจตัวเองอยู่อย่างนั้นก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันนั้นพุทธศาสนามองในแง่นี้ก็เป็นทางสายกลางทางสายกลางระหว่างสองสายหนึ่งถู ก, ถกทุกบีบคั้นพายุขุ่นามดิ้นรนขนขายสุมสส่มสสุภาที่ว่าแล้วก็จเจริญดีแล้วก็เสื่อมเสีทีมัวเมาแล้วอีกพวกหนึ่งก็าศาสนาที่ให้ความหวังรอคอยก็มไม่ต้องทําอะไรจม น, นีก็เป็นเรื่องการที่ทุกทุกบีบขั้นพายุขุ่นาม ชี้ไปสู่ความจริงของธรรมชาติมนุษย์และความจริงในธรรมชาติจะต้องรู้เข้าใจพัฒนาตัวเองให้มีปัญญาปฏิบัติไปตามความจริงนั้นด้วยปัญญานั้นพัฒนาชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นมาช่วยกันเองในหมู่มนุษย์ไม่ต้องไปรอเทพเจ้าช่วยช่วยกันดีในหมู่มนุษย์ช่วยกันนี่แหละดีที่สุดกว่าอะไรช่วยอีกนะพัฒนาตัวเราพวกเราให้มาช่วยกันสินะแล้วก็เอาความรู้ในความจริงนะั้นมาจัดสรรสังคมนะมาจัดวางระบบระบบ ชีวิตให้มันเอื้อต่อชีวิตของแต่ละคนจัดระบบสังคมให้เอื้อต่อชีวิตแต่ละคนจะอยู่ดีพัฒนาตนเองได้ก็เป็นวินัยจากธรรมะก็มาเป็นวินัยวินัยก็มาสร้างสังฆะขึ้นมาก็โยงมาสัมพันธ์กับชีวิตแต่ละคนชีวิตแต่ละคนก็พัฒนาไปตามใจสิกขาโดยอาศัยสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มาเป็นตัวเอื้อก็พัฒนาไปได้ดีดใช่ไหมแล้วเกิดความสัมพันธ์ระหว่างธรรมะกับวินัย อย่างที่พูดไปแล้ววันนี้เป้าหมายที่สำคัญพูดมาทั้งหมดก็เพื่อหเห็นความหมายของคำว่าพัตนไตรันะแต่ว่าโยงไปหาเรื่องอื่นทั้งหมดก็พูดมายินยาวนานแล้วนะฮะมีอะไรสงสัยไหมฮะแต่ว่าจะชัดเจนพอหรือเปล่าชัดไหมฮะ ข้อหนึ่งก็คล้ากับข้อหนึ่งอง่ยปฏิสัมพิทาอ๋อปฏิสัมพิทานี่ยคล้ายๆเป็นความรู้ปลีกย่อยในระบบใหญ่เนี่ยที่มาใช้ประโยชน์เป็นเรื่องๆไปอย่างน้อยว่าเราไปเรียนรู้อะไรใช่ไหมเราจะมาได้ปัญญารู้ธรรมะเราก็ต้องมีพัฒนาอัตตาปฏิสัมพิทาใช่ไหมเมื่อเราไปเรียนรู้อะไรเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็พยายามให้เข้าใจถึงเนื้อหาสาระความจริงก็มาให้ถ่องแท้ใช่ไหม มันก็มาเอื้อตการรู้ธรรมะนั่นแหละโยงเราเข้าหาตัวธรรมะออพอเรารู้เนื้อหาอรายละเอียดเราจับหลักได้เลยนั่นคือตัวธรรมแลใช่ไหมตัวกฎธรรมชาตินี่ตัวธรรมะเป็นตัวกฎเลยอย่างนักวิทยาศาสต ร, ร์แกตอนแรกแกก็ไปเรียนรายละเอียดมี observation ใช่สังเกตหาความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆความเป็นเหตุเป็นผลกันระหว่างสิ่งนั้นสิ่งนี้ แกก็ไปดูไปศึกษาเป็นรายละเอียดแต่ละข้อแต่ละอย่างแต่ละเรื่องเออต่อมาต่อมาแกก็วางกฎได้เป็นยีเนอเรนท์พรินซิเปิลนี่คือธรรมะอะไใช่ไหมเป็นข้อสรุปเป็นประเด็นหลักชุมม่มไหมนักวิทยาศาสตร์ที่แกค้นหาความจริงในธรรมชาติเนี่ยก็ต้องการในตัวนี้นะฮะแกต้องการใ้ตัวธรรมะเนี่ยตัวยีเนอเรนท์พรินซิเปิลเนี่ยตัวตัวกฎทั่วไปเนี่ยสุดยอดปรารถนาของนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่นี่ไอสไตไสเตยค้นหา ไปศึกษาเ ร, เ, งงเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงใช่ไหมนี่ตอนนี้หาอัตถะละได้รายละเอียดได้เนื้อหาความจริงศึกษามันท่องแท้มันโยมันสัมพันธ์กันยังไงต่อไปพอชัดเจนนะมันวางกฎใหญ่ได้เลยใช่ไหมพอได้กฎตัวนี้ปั๊บมันคลุมหมดเลยใช่ไหมมันเข้าใจจากตัวกฎเดียวเนี่ยหมายถึงเข้าใจอะไรหมดเลยถูกไหมฮ ดั้นทีนี้แกพยายามหาย e นอลันพิเนอร์กฎทั่วไปเนี่ยแต่กฎทั่วไปที่แกได้มามันเป็นกฎทั่วไปเพียงในระดับที่ยังไม่สูงสุดใช่ไหมมันกลายเป็นกฎทั่วไปหลายกฎนยียังอยู่ระดับรองๆไม่ถึงไอ้กฎสูงสุดสักทีเนี่ยแกฝ่ายฝันนักจะได้ตัวย e นอลันพิเนอร์อันใหญ่ที่สุดเนี่ยไม่ได้สักทีถ้าได้อันนี้ปั๊บเนี่ยมันเข้าใจทั้งโลกทั้งจั ก, กรวาลเลยใช่ไหมแต่ขนาด นิวตันได้กฎความโน้มถ่วงก็เข้าใจจั ก, กรวาลในด้านหนึ่งไปหมดเลยใช่แต่ว่าไอน์สไตน์มาบอกยังไม่ถูกเป็นกฎแห่งสมพัติภาพเนี่ยมันก็ทำให้เข้าใจชัดเจนลึกซึ้งลงไปอีกเนี่ยอันีพรศาสนานี่ก็มาให้เรามีอัธพปฏิสัมพิทาไดีรู้เข้าใจเนื้อหาอรายละเอียดสิ่งต่า ง, างๆให้มันชัดเจนท่องแท้มองอะไรแต่ะให้ชัดแต่ละอย่าง เสร็จแล้วเราก็จะมาได้ตัวธรรมะตัวกฎใหญ่ที่มันเป็นตัวแทนความจริงของสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเลยใช่อนี้ตัวธรรมะมันก็อย่างว่ามีหลายระดับนะเป็นกฎทั่วไปที่คลุมถึงความจริงระดับนี้เนะี่ยในขอบเขตเท่านี้นะ ด, ด้านนี้ใช่ไหมไอ้ตัวธรรมะกฎธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นกฎในขอบเขตนี้บ้างในด้านนี้บ้างอะไรเงี้นะจนกระทั่งถึงกฎใหญ่ที่สุดนะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นหลักการที่ย่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆลงมาธรรมะก็คือหลักการหรือกฎจากกฎใหญ่สุดพระพุทธเจ้าก็จัดสรู้กฎความจริงธรรมะที่เราใช้แทนเป็นตัวคําเดียวกฎใหญ่คลุมความจริงทั้งหมดแล้วสามารถแยกย่อยไปเลยเล็กๆลงไปอันนี้ตัวความจริงในกฎธรรมชาติทั้งหมดเนี่ย ในแง่ที่มาสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ก็เรียกว่าอริยศัสตรนะอริยศาสตรก็คือธรรมะความจริงในธรรมชาติเมื่อมาสัมพันธ์กับมนุษย์ที่มนุษย์จะเอาประโยชน์จากกฎธรรมชาตินะาคุณนากคนในสัมมน ง, งคมเราเป็เขาครับพรามนุษย์พยายามจะปล่อยป้าเรียนรู้สิ่งภาย น, นอกในเยอะแยะแต่เรื่องที่กลับมาสู่ตัวเองเรื่องในจิตใ จ, จของตัวเองเรื่องค่าของชีวิตของตัวเองนันทั้งกับเราเลยกัน ก็ใช่สิเพราะว่ามันมันเอาตามความจําเป็นทุกบีบคั้นภผ่คุกคามทําให้ดิ้นรนแสวงหาใช่ไหมมันก็แสวงหาดิ้นรนไปตาม้ความต้องการแก้ปัญหาเฉพาะนะเป็นเรื่องๆก็สุมสีสุมะแล้วเลยสร้างเป็นความเจริญของอริยธรรมขึ้นมาถูกไหมมันไม่ได้เกิดจากปัญญาเข้าใจความจริงนี่มันเจอจากเหตุภายนอกบังคับตัวเองให้ดิ้น แล้วก็จําเป็นต้องเรียนรู้ก็เรียนรู้ในขอบเขตสนองความต้องการนั้นถูกไหมซึ่งเป็นความต้องการที่มันไม่เอื้อต่อการเห็นความจริงเพราะฉะนั้นว่าเป็นความต้องการในแง่สนองผลประโยชน์ของตัวเองที่ต้องการเป็นโลภะหรือสนองความต้องการในการที่จะไปกำจัดศัตรูได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมไอ้ความต้องการแบบนี้มันไม่เป็นความต้องการที่จะทําให้เข้าใจถึงความจริงในกฎธรรมชาติมันได้แก้สนองความต้องการเฉพาะกรณีแต่มันก็ทําให้เกิดความเจริญแบบที่ว่าเนี่ย มันก็ไปเจริญเป็นด้านๆแง่ๆไปบางทีต้องใช้เวลาต้องเป็นหลายร้อยปีจึงรู้ว่ามันผิดก็เหมือนอย่างฝลังที่ว่านึกว่าตัวเองเอาชนะธรรมชาติได้ก็คือความสําเร็จถูกไหมความสุขสมบูรณ์ของมอนุษย์นี่ออยู่ที่เนี่ยชนะธรรมชาติได้จะได้จัดการธรรมชาติได้ตามเจาใจซึ่งมันก็เป็นความจริงระดับหนึง่งแต่ทําไมแกเกิดอันนี้ขึ้นมา นะก็ผมเคยยกตัวอย่างที่ว่าฝรั่งอาจารย์เยอรมันที่มาสอนที่มหิดลใช่ไหมไปที่ภูเขาแล้วก็คุยกันว่ฝรั่งเขาว่าเองอะในหนังสือของเขาว่าอาริยธรรมเขาเนี่ตั้งอยู่บนทิฏฐิความเชื่อความคิดนะหลักการยึดถือว่ามนุษย์จะต้องเอาชนะธรมธรมชาติพิชิตธรรมชาติแล้วจึงจะมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์ อันนี้ก็บอกว่านเนี้ยเนี้ยฝรั่งเป็นอย่างเงี้ยเขาก็อึ้งไปแล้วเขาก็สักครู่เขาก็พายมือไปข้างนอกซึ่งอยู่บนเขาก็คือไปที่ธรรมชาติเขาก็บอกอ้าวก็ประเทศท่านนี่ธรรมชาติมันเป็นเฟรนลี่เนี่ยนะธรรมชาติมันเป็นมิดนะครักันนี้ก็ว่าไปตามไอ้สภาพชีวิตที่ถู ก, กทุบทุบบีบคั้นายคุกคามนะใช่ไหมเน่ยมันเป็นเรื่องที่ว่า มันเป็นเรื่องของความจะเป็นในการดำรงชีวิตแล้วเป็นไปตามความรู้สึกที่เป็นกิเลสธรรมดาของบุถุชนเท่านั้นเองว่ า, าเพราะอยู่เมืองฝรั่งธรรมชาติมันบีบคั้นมันมีความหนาวเย็นเป็นต้นมันรู้สึกตัวธรรมชาติเป็นศัตรูธรรมชาติเหมือนศัตรูเนี่ยมันมาแล้วมันทำให้เราเดือดร้อนมีความทุกข์เราจะต้องสู้กับมันตลอดเวลาทาไงจะผ่านฤดูหนาวนี้ไปได้ ในแง่งความหนาวเย็นทําไงจะมีอาหารกินให้อยู่รอดไปได้เพราะว่าฤดูหนาวแล้วไม่มีอะไรจะกินอะไรเงี้ยนะต้องต่อสู้ตลอดเวลาในความคิดความรู้สึกต่อธรรมชาติก็เป็นศัตรูเป็นปรปอักจะต้องชนะจะต้องพิชิตก็มนุษย์ก็เกิดกําลังใจในการต่อสู้ดิน้นรนขนขวายว่าจะต้องเอาชนะมันให้ได้นะซึ่งก็ทําให้เขาพัฒนาได้แต่มันเป็นความเจริญได้เป้าหมายที่ผิดนะก็คิดว่า ถ้าชนะธรรมชาติได้เราก็จะเป็นนายธรรมชาติเอาธรรมชาติมาจัดการตามชอบใจต่อมานก็สนองความประสงค์นี้พอมันมีความรู้ในตัวธรรมคือกฎธรรมชาติมันก็จัดการกับธรรมชาติด้วยความรู้ได้ปัญญานั้นใช่ไหมเอาสนองความต้องการของตัวเองกลายเป็นทําลายธรรมชาติพอทําลายธรรมชาติเสร็จแล้วไอ้ตัวเองต้องอาศัยธรรมชาติตัวเองเลยเดือดร้อนอีกก็เลยมาสํานึกผิดเมื่อเวลาผ่านไปสอง0ันปี เราคิดดูสิอารยธรรมผ่านไปตั้งสองพันปีมนุษย์จึงสานึกว่าที่ยึดถือมานั้นแม้ขนาดเป็นรากฐานของอารยธรรมยังพลาดได้นะนะแต่ก็เจริญถึงขนาดนี้นะด้านหนึ่งมันก็เป็นความเจริญหลือหลายแต่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นความพินาศของมนุษย์ด้วยก็เลยจะต้องปรับทิฏฐิปรับความเห็นเอเราปรับเปลี่ยนหลักการกันใหม่ใช่บกการพัฒนา ที่ผ่านมานี้เป็นการพัฒนาที่ไม่อย่งยืนซะแล้วต้องหาทางออกใหม่ก็ยังดิน้นยังหาช่องกันอยู่ยังไม่ละ ไ, ไม่ทะ ล, ลุปลูโปรงยังไม่รั่วไอการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ย ม, มันหลักการที่แท้มันคืออะไรแน่มันก็ได้แค่ว่าเช่นว่าต้องให้เศรษฐกิจก็ไปได้สิ่งแวดล้อมก็อยู่ดีแล้วก็จะมาพัฒนาวิธีการจะทํำยังไงเพื่อให้ได้ผลตามนี้ยุ่งไปหมดอยู่กันแค่นี้มันไม่มีอะไรนะเรื่องของมนุษย์ อารยธรรมทั้งหมดอ่าั้งศตร์หทางเปเรื่องศึกษาเรื่องต่างๆี่ยิ่งตอนนั้นมัน อ, อ, อยู่นทะุกสิ่งทุกทางอ๋ออันนั้น อ, อ, อันนั้นอพอพอต่อมามันก็จะมีไอ้ตัวความปรารถนาซับซ้อนขึ้นมาเ<อ>ช่นว่าเมื่อตัวเองชักเก่งขึ้นก็มีความปรารถนาจะครอบงำต้องการยิ่งใหญ่อะไรเป็นต้นนะฮะ เรอต้องการความฟุ่มเฟือยความพรั่งพร้อมซึ่งเกิดจะเป็นอะไรต่างๆนี่นความโออาะไรพวกนี้นะนะมันก็ตามมาอีกแต่ว่าจุดแรกเนี่ยมันตัวบีบคันก็คือทุกบีบคันไฟกุ้งค้ามเอานะงนนั้นี้ก่อน